สิกขาบทที่11ว่าด้วยการบวชให้ศิกขามานาด้วยการให้ปาริวาสิกะชันทะเรื่องภิกษุณีทุลนันทา1166รสสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรวุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชพฤก์ครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันทานิมนต์ภิกษุเทระทั้งหลายให้ประชุมกันด้วยกล่าวว่า ดิฉันจะบวชให้สิกขามานาครั้นเห็นของเคี้ยวของฉันจำนวนมากจึงนิมนต์พระเทละทั้งหลายให้กลับไปด้วยกล่าวว่าพระคุณเจ้าดิฉันจะยังไม่บวชสิกขามานาแล้วนิมนต์พระเทวทัตพระโกกาลิลกะพระกตะโมรักติปสัพระคันธเทวีบุตรและพระสมุทธาทัตตะให้ประชุมกันบวชให้สิกขามานา